คุลิมานโปรดหญิงมีคันครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวาสศกถือบาดและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างครองสาวัตถีกำลังเที่ยวบินทบาทไปตามลำดับตรอกอยู่ในครองสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีคันแก่ใกล้คลอดจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอจากนั้น ท่านพระองคุลิมานก็เที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาตภายหลังฉันพัฒหัรเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรเดียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสเช้า ว, วันนี้ข้าพระองค์ครองอันตรวาสศกเถือบาทและจีวรเข้าไปบินบาตยังกรุงสาวัตถี กำลังเที่ยวบินทบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในครุงสาวัตถีได้เห็นสตรีมีคันแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองค์คุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมภาพเกิดมา ไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมาลกราบทูลว่าก็การพูดเช่นนั้นจะเป็นอันว่าข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์เคยจงใจปรงชีวิตสัตว์เสียมากต่อมากพระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมาภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปรงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิด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 ความสวัสดีได้มีแก่ทารกในคันของสตรีนั้นแล้วพระองคุลิมานบรรลุอรหัตผลต่อมาท่านพระองคุลิมานหลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียร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 ท่านพระองคุลิมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวถีสมัยนั้นก้อนดินที่บุคคลทั้งหลายคว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่อนไม้ที่บุคคลทั้งหลายคว้างไปทางอื่น ก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานก้อนกรวดที่บุคคลทั้งหลายคว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่านพระองคุลิมามีศีษะแตกเลือดไหลบาทก็แตกผ้าสังฆติก็ขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ พ, พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองคุลิมานกาลังเดินมาแต่ไกล ได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมาลว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณเธอได้สวยวิบากกรรมซึ่งเป็นเหตุให้เธอหมกไม้อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้ว องคุลิมานเปล่งอุทานครั้งนั้นแลท่านพระองคุลิมานอยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่สเสวยวิมุติสุขแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าคนที่ประมาทมาก่อนต่อมาภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉนั้นคนที่ทำบาปกรรมแล้วปิดไว้ได้ด้วยขุศล ย่อมจะทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นเช่นเดียวกันแลภิกษุที่ยังหนุ่มแน่นขวนขวายอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวัยได้ประดุดดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆฉะนนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราพึงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ยึดถือธรรมเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงได้รับความผ่องแผ้วคือขันติและสรนเสริญความไม่โกรธเถิดขอจงฟังธรรมตามการและจงปฏิบัติตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่ควรเบียดเบียนเราหรือใครใครอื่นเลยขอให้บรรลุความสงบอย่างยิ่ง แล้วรักษาคุ้มครองผู้มีตันหาและปราศจากตันหาคนทดน้ําย่อมชักน้าไปได้ช่างสอนย่อมดัดสอนให้ตรงได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉันนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยอาชญยบ้างด้วยขอบ้างด้วยแท้บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ ผู้ไม่มีอาชยาไม่มีศัตราฝึกแล้วเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองค์คุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดูดห่วงน้ําใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ เมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองค์คุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเราถอนตันหาอันจะนําไปสู่พบได้แล้วหลังจากทํากรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกติเช่นนั้นไว้มากแล้วเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคพวกชนพานปัญญาสามมัวแต่ประมาท ส่วนปราทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนนั้นพวกท่านจงยาประมาทยาคลุกคลีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิดย่อมประสบสุขอันไพยบู์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมาถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วในบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้ว เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ไรประโยชน์คิดไม่ผิดแล้ววิชาสามเราก็บรรลุแล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามแล้วดังนี้แลองค์คุลิมาลาสูตรที่หจบ 7. ปิยาชาติกระสูตรว่าด้วยทุกเกิดจากสิ่งเป็นที่รักลูกชายคนเดียวของข้าบดีตายข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแล ลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าบรบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันธรรมอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าบรบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นข้าบดีนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับข้าพดีนั้นว่าข้าพดีใจของท่านไม่มีอินซีไว้ยึดเหนียวอินซีร่างกายของท่านก็หมองคล้ำไปข้าพดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินซีของข้าพระองค์จะไม่หมองคล้ำไปเล่า เพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันธรรมอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าพดี ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าพเจ้าบดีเพราะว่าโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ําครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัตความทุกข์ใจและอุบายาตความขับแค้นใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักข้าพเจ้าบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โสกะปริเทวะทุกข์โทมนัตและอุบายาต เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นจากเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสความดีใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากจากนั้นขหบดีไม่ยินดีไม่คักค้านพระพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วจากไปสมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมาก เล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองข้าบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้วเล่าเรื่องให้ฟังว่าพ่อมหาจำเริญขอโอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระสมณโคดมแล้วนั่งณที่สมควรพระสมณโคดมได้ตรัสกลับข้าพเจ้าว่าข้าบดี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 การงานก็ไม่เป็นอันธรรมอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระสมณโคโดมได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าบดีเพราะว่าโศกปริเทวะทุกขโทมานต์และอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเขาพระเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โศกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่ง <Jugend lichen> อันเป็นที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่แท้ <S <S ความยินดีและสมนัตเกิด จ, จากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นต่างหาก พ่อมหาจํเริญจากนั้นข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งแล้วจากมานักเลงสกาเหล่านั้นได้พูดเสริมว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าพดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้นนาบดีเพราะความยินดีและโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักขณะนั้นก้าบดีนั้นคิดว่า ความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วจากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับทุกย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รักครั้งนั้น พระเจ้าประเส e n t ิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมลิกาเทวีมาตรัสว่ามลิกาคำว่าโศกะปริเทวะทุกข์โทรมนต์และอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือพระนางมลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดํารัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริง พระดํารัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะพระเจ้าประสิทธิโคศนตรัสว่าพระนางมลิกานี้คล้อยตามพระดํารัสที่พระสมณโคโดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดํารัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดํารัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นสิทธ์คล้อยตามคําที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ ันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดํารัสที่พระสมณโคโดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดํารัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดํารัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นมนลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงพิน่าเสียลำดับนั้นพระนางมลิกาเทวีรับสั่งเรียกพราหมณ์ชื่อนาริชังคะมาตรัสว่า มาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระยุคลบาททั้งสองของพระองค์ด้วยเสียงกล้าวแล้วทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาสน้อยกระปรี้กระปร่รปรามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาท ของพระผู้มีประภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเรา่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ว่าโซกปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รัก พระผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือเธอควรจำพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาดแน่นาลิชังขะพรามรับพระราชาสวันีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราสัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึก ถ, ถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระนางมลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของท่านพระโคดมด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาทน้อยกระปรี้กระเป่ามีพระพลนาัยสมบูรณ์อยู่สำราญแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดารสนี้ว่า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 การที่โศกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอก แล้วเดียกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมการที่โสกะบริเทวะทุกโทมนต์และอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนีแลบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไป พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหม การที่โซกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในครุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของมารดานั้นชายคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอก แล้วเดื่กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถินี่แลบิดาของชายคนหนึ่งตายไป พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาพัญญาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของพัญญานั้นชายคนนั้นจึงเป็นว่ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วดรือกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบพัญญาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบพัญญาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โสกปริเทวะทุก โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้พรามเรื่องเคยมีมาแล้วนี่ครุงสาวถินี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อมา หิงนั้นได้บอกสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีได้ฟันพันยาขาสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันการที่โศกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดครั้งนั้นนาลิชังขะพราหม์ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมาลิคาเทวีถึงที่ประทับได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่พระนางมาลิคาเทวีลำดับนั้น พระนางมลิกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธินที่โคศนถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประเสิทธิที่โกศนว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระกุมารีพระนามว่าวาชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โคศนตรัสตอบว่าใช่แล้วมลิกา วชิรีคุมารีเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะวชิรีคุมารีต้องมีอันแปรพันเป็นอย่างอื่นไปโศกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเพิงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมณิกาเพราะวชิรีคุมารีแปรพันเป็นอย่างอื่นไป แม้ชีวิตของเราก็ต้องแปลผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุปาญาต์จะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนต์และอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่ง อ, อันเป็น <อ anger, S 2> ที่รักเพคะทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมลิกาพระนางวาสภคติยาเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะพระนางวาสภคติยาแปรผันเป็นอย่างอื่นไป โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงเพิงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมันลิกาเพราะพระนางวาสภคติยาแปลพันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปลพันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจักไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโซกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปาญาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าประทัยความข้อนั้นว่ายอย่างไรเสนาบดีชื่อวิทูทภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมลิกาเสนาบดีชื่อวิทูทภะ เป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะเสนาบดีชื่อวิทูทภะแปลพันเป็นอย่างอื่นไปโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมณิกาเพราะเสนาบดีชื่อวิถูทภะแปลพันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปลพันเป็นอย่างอื่นไปด้วย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 ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรหม่อมฉันเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมลิกาเธอเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะหม่อมฉันแปลผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมลิกา เพราะเธอแปลพันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปลพันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโศกะปริเทวะทุกข์โทรมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รัก มีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรแควนกาสีและแควนโกศลเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมริกาแควนกาสีและแควนโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแควนกาสีและแควนโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันท์ที่เกิดจากแควนกาสี ได้ทัศทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไหล่ทุนกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโคสนแปรพันเป็นอย่างอื่นไปโสซกะบริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทุนกระหม่อมหรือไม่เพคะมันลิกาเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโคสนแปรพันเป็นอย่างอื่นไป แม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโซกะบริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าพระนางมลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโซกะบริเทวะ โทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะพระเจ้าปเปเสนทิโคสนตรัสว่ามันลิกาน่าอัศจรรย์จิงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมันลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดจากนั้นพระเจ้าปเปเสนทิโคสนทรงลุกขึ้นจากที่ประทับ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 ดังนี้แหละปิยชาติกสูตรที่เจ็ดจบ 8. ผ้าหิติกสูตรว่าด้วยการถวายผ้าผ้าหิติกา พระเจ้าประเสนทิโคสลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินดกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีแล้ว กลับจากมินทบาทภายหลังฉันพัตหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเพื่อพักกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศนเสด็จขึ้นช้างเอกบุญทริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันท่อพระเนรเห็นท่านพระอานต์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอำมาชื่สิริวัดมาตรัสว่า สิริวัตเพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัตรมหาอามาตย์กราบทูนว่าใช่พระเจ้าค่ะนั่นพระคุณเจ้าอานน์ลำดับนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลรับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานน์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอา น, น์ด้วยเสียงกล้าวตามคาของเราว่า พระคุณเจ้าพระเจ้าประเสนธิโกศลทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอาณ น, น์ด้วยเสียงกล้าวและจงเรียนท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานน์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอาณ น, น์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดชายคนนั้นรับสนองพระราชาดมรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานน์ถึงที่อยู่ กราบท่านพระอานนท์แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสเสนที่โคศนทรงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยพระเศียรกล่าวและรับสั่งมาอย่างนี้ว่าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิด ท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประเสิทธิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอาณน์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วประทับยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานน์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานน์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไร ขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานน์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอจิราวดีเถิดท่านพระอานน์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพ